ใช้เวลารอที่ปล่าประโยชน์ฝึกสมาธิกันการรอไม่เป็นเป่าจดจ่อรอด้วยใจที่ว้าวุ่นทาให้คนเราใจร้อนยิ่งรอแบบไม่รู้อนาคตมากขึ้นเท่าไหร่จะยิ่งดินเป็นทุกข์มากขึ้นเท่านั้นเพื่อฝึกรอให้เป็นเพื่อใจเย็นให้ได้ให้มองว่าเราจะใช้เวลาที่ปล่าประโยชน์ที่สุด ให้กลายเป็นประโยชน์สูงสุดคือฝึกสมาธิกันดีเสอีกไม่ต้องหาเวลานั่งสมาธิไม่ต้องลา ง, งานเปลี่วิเวกชีวิตจัดหาเวลาฝึกสมาธิมาให้แล้วประการแรกจำไว้ว่าใจเราจะไม่เย็นลงด้วยการสั่งบังคับให้เป็นสมาธิตรงข้ามยิงสะกดใจเท่ากับยิงกดทับ ให้เกิดความอึดอัดอยากดิ้นรนอยากพ้นไปจากตรงนั้นหนักขึ้นประการที่สองจำไว้ว่าธรรมดาของจิตเมื่อเห็นความทุกข์ไม่เที่ยงก็เพียงพอแล้วที่จะเป็นสุขเมื่อใดคันอกคันใจใครอยากพุ่งไปข้างหน้าแล้วพุ่งไปไม่ได้ให้ดูความคันขยเยืเื่อนขยิก อันเป็นภาวะอยู่ไม่เป็นสุขกลางหัวใจแล้วเทียบมาว่าผ่านไปหนึ่งลมหายใจผ่านไปสองสามลมหายใจแล้วมันค่อยๆซาตัวลงเองได้ไหมหัวใจเรามีจังหวะที่แตกต่างไปได้เองไหมการรอคอยที่ปรากฏพร้อมกับลมหายใจนี้จนเกิดสติรู้ขึ้นมาว่าสองสามลมหายใจอาการจดจ่อรอคอยก็ซาลง หรือกระทั่งหายสนิทเป็นปลิดทิ้งจะค่อยๆก่อร่างสร้างพุท ธ, ธิปัญญาขึ้นมากระจ่างใจว่าเราไม่ต้องรอก็ได้อาการรอก็แค่ของหลอกให้เป็นทุกข์ไปเรื่อยๆชีวิตมักมีเรื่องมาฝึกให้เรารอเพื่อจี้ให้เราเห็นชัดเข้ามาที่ใจเมื่อสังเกตความกระวนกระวายจะเห็นความร้อเงียบสงบแฝงอยู่ การรอคอยเป็นอาการปรงแต่งทางจิตชนิดหนึ่งมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่ใช่จะต้องมีแน่ๆ